บีเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัด ส, สกลนครค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือต้องไปกราบนมัสการพระอัฐิธาตุของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วก็เข้าไปชมอัฐิบริหารของท่านเท่าที่เห็นก็ไม่มีอะไรที่เป็นสมบัติมีค่าที่พอจะตีราคาเป็นเงินเป็นทองได้เลยนะคะท่านไม่มีสมบัติพักสถานอะไรเลยจริงๆค่ะจะมีก็เพียงแค่สิ่งของจําเป็นเพื่อการดํารงชีพไปวันๆเท่านั้น ซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งที่หลวงปู่มั่นได้ให้ไว้กับสังคมชาวโลกซึ่งมีมากมายมหาศาลยากที่จะนำสิ่งใดมาเปรียบปานได้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพระที่บริสุทธ์งดงามทุกอย่างทั้งกายวาจา แล้วก็ใจรวมไปถึงการปฏิบัตินะคะที่ท่านยึดถืออย่างเคร่งครัด บ, บนเส้นทางของพระบรมศาสดาท่านจึงเป็นพระที่ควรยกย่องกราบไหว้บูชาของหมู่ชนชาวโลกอีกรูปหนึ่งค่ะก็สมควรแล้วก็เหมาะสมแล้วนะคะที่ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์แห่งที่ราบสูงทำให้เราหลายคนค่ะได้คิดว่าท่านได้ตัด กิเลสออกจากใจอย่างหมดจดงดงามจริงๆสมกับที่ท่านเป็นพระอริยะสงฆ์ผู้ถึงแล้วซึ่งประนิพานอย่างไม่ต้องสงสัยนะคะเมื่อได้กราบนมัสการแล้วก็ทำให้เราหลายๆคนมีความสุขเกิดความชุ่มเย็นในจิตใจขึ้นหลังจากได้นมัสการพระอัธฐิธาติของหลวงปู่มั่นแล้วก็อย่าลืมนะคะแวะไปกราบนมัสการพระอัฐิธาตของหลวงปู่ฟั่นอาจารโร สิทธิเอกของหลวงปู่มั่นที่วัดป่าอุดมสมพรด้วยซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลกันค่ะกับวัดของหลวงปู่มั่นซึ่งศรัทธาชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยถ้าเดินทางไปกราบนมัสการพระอัฏฐิธาตุของหลวงปู่แล้วที่กลายเป็นแก้วใสสะอาดวันละหลายร้อยคนถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าหลายพันคนทีเดียวมีพ่อค้าแม่ค้าที่ทํามาหากินภายในบริเวณวัดได้เล่าให้ฟังนะคะว่า แม้ว่าณนะวันนี้ไม่มีท่านแล้วก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เหลือวไว้ให้ลูกหลานได้รำลึกนึกถึงก็คือพระอัฐิธาตุที่กลายเป็นแก้วใสสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นแล้วนะฮะว่าความดีในปฏิปทาที่งดงามและก็สะอาดบริสุทธิ์ของท่านทั้งหลวงปู่มั่นและก็หลวงปู่ฟัานทั้งสองก็เป็นพระอริยสงฆ์แห่งดินแดนที่ราบสูงที่ควรเคารพ บ, บูชาของชนทุกชั้นแล้วก็ในโลกแห่งพุทธศาสนาด้วยค่ะ หากจะพูดถึงประสบการณ์แล้วท่านทั้งสองในช่วงที่ออกจาริกทุดงกรรมฐานไปตามป่าเขาในประเทศแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเจริญภาวนากรรมฐานสู่ความหลุดพ้นจากกองกิเลสทั้งปวงผ่านชีวิตและก็สังคมคนมาหลายรูปแบบนะคะโดยเฉพาะชีวิตของคนที่อยู่ห่างไกลความเจริญค่ะ นั่นหมายความว่าพวกที่อยู่ในป่าลึกความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงพวกเขาเหล่านี้ส่วนมากจะนับถือพวกพูดผีปีศาจหรือว่าพวกวิญญาณก็เลยมักจะตกอยู่ใต้อำนาจของพวกหมอผีที่เข้าครอบงำจิตใจด้วยการปลุกปั่นให้หลงเชื่ออย่างงมงาย หากเมื่อใดก็ตามที่มีพระสงฆ์พูดเจริญเข้าไปขัดขวางด้วยเนื้อธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วล่ะก็พวกหมอผีน่ะคะก็จะทำทุกวิถีทางเหมือนกันเพื่อที่จะกำจัดออกไปให้พ้นทางของตนเองค่ะพวกมันไม่รู้บาปบุญไม่รู้กรรมไม่รู้โทษ พวกมันเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจก็เลยหมกมุ่นแล้วก็มัวเมาลุ่มหลงในกองกิเลสด้วยการอาศัยมนต์ดำเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อให้กับชาวบ้านป่าเกิดความเลื่อมใสศรัทธามีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งหลวงปู่ฟันค่ะ ก็ได้จาริกธุดงกรรมาฐานร่วมคณะไปกับท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมสู่จังหวัดขอนแก่นเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพุทธบริษัทญาติโยม โดยได้ยึดเอาป่าช้าบ้านเหล่างานะคะเป็นที่พำนักเพื่อเจริญภาวนาจากนั้นพระอาจารย์สิงห์ก็ได้ให้หลวงปู่ฟั่นเนี่ยพร้อมด้วยพระภิกษุแล้วก็สามนเณรจํานวนหนึ่งแยกไปปฏิบัติธรรมที่ป่าช้าบ้านเก่าโกพร้อมกับอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้เลิกละการยึดพูดผีวิญ ญ, ญาณเป็นที่พึ่งซึ่งเป็นความเห็นผิดเป็นชอบนะคะในเวลานั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อมั่น แล้วก็หลงไหลในพูดผีวิญญาณเป็นสรณะค่ะเพราะเชื่อกันแน่ว่าพวกผีวิญญาณมันสามารถให้คุณแล้วก็ให้โทษได้ด้วยความเชื่ออันเป็นสรณะนี้เองก็เลยมีพิธีกรรมบวงสรวงเส้นไหว้ยอย่างแพร่หลาย ในขณะเดียวกันก็มีพวกหมอผีค่ะที่ตั้งตนเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องวิชาเสยสาศยศาสตร์โดยอาศัยความเชื่อของชาวบ้านเพื่อหาประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมตลอดเวลาเป็นระยะเวลาอันยาวนานเลยนะคะ ที่ป่าช้าบ้านเก่าโกแห่งนี้ค่ะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาว่าผีดุมากคอยหลอกหลอนชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจำจนเป็นที่หวาดกลัวอย่างยิ่งสำหรับประชาชนทั่วไปเพราะเชื่อกันนะฮะว่าป่าช้าแห่งนี้เป็นป่าช้าผีดิบค่ะคำว่าป่าช้าผีดิบนี่หมายความนะคะว่าศพคนตายโหงที่ฝังแล้วแต่ว่ายังไม่นําขึ้นมาเผา ที่มีพูดผีปีศาจอาศัยอยู่จำนวนมากคอยออกอลาวาดหลอกล้อนทำให้ขนลุกขนพองสยองกล้าวจนไม่มีใครหรือผู้ใดกล้าเฉียดกลเข้าไปใกล้กลายเป็นช่องทางให้หมอผีค่ะเข้าไปอาศัยเป็นที่ทำมาหากินแล้วก็เพิ่มความสำคัญให้กับตนเองในฐานะผู้เรืองวิชาอาคมก็สามารถกำราบผีร้ายทั้งหลายในป่าซ่าบ้านเก่าโกให้ตกอยู่ใต้อานาจของตนได้ ทีนี้ครั้นหลวงปู่ฟั่นได้นำคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณร น, นะคะเข้าไปพำนักในป่าชาบ้านเก่าโกค่ะเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพราะไม่มีสถานที่แห่งใดที่จะเหมาะไปเท่ากับป่าชาสำหรับพระนักวิปัสสนาทั้งหลายเนื่องจากป่าชาเนี่ยจะมีแต่ความสงบ ไม่มีผู้ใดมารบกวนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่ากลางคืนค่ะการเข้าไปพรรมนักของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สัมมาเนนนั้นก็เป็นที่ไม่พอใจของพวกหมอผีที่กล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสซยเวทก็เลยประกาศกับชาวบ้านที่ตนเองปลุกระดมจนมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่า คณะของพระภิกษุแล้วก็สัมมเนที่บังอาจเข้าไปพำนักอยู่ที่ป่าช้าบ้านเก่าโกจะต้องมีอันเป็นไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของพูดผีวิญญาณอย่างแน่นอนค่ะทีนี้จากคำประกาศชวนเชื่อของพวกหมอผีเนี่ยมันก็ทำให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวค่ะว่าพระภิกษุสัมมเนนที่มาปักกลดบําเพ็ญภาวนาในป่าช้าเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปทั้งหมด แต่ว่าเวลาผ่านไปหลาย10วันคณะของหลวงปู่ฟันกลับอยู่ในป่าช้าอย่างเป็นปกตินะคะไม่เห็นจะมีพระเนนรูปใดโดนผีร้ายเล่นงานดังที่หมอผีประกาศคาดการเอาไว้ทีนี้เมื่อชาวบ้านเห็นว่าพระภิกษุสามเณรที่พำนักอยู่ในป่าชาบ้านเก่าโกภายใต้การนำของหลวงปู่ฟันไม่ตกอยู่ในอันตรายใดๆก็ยิ่งทําให้ชาวบ้านที่เคยให้ความเชื่อถือแล้วก็เลื่อมใสในความเก่งกาจ สามารถของหมอผีในการกำราบพูดผีให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งตนเริ่มเสื่อมสลายลงค่ะ ซึ่งในขณะเดียวกันความเลื่อมสายศรัทธาได้ไปตกอยู่ในคณะของหลวงปู่ฟันประกอบกับศีลาจารวัตของพระเนนคณะนี้เนี่ยงดงามด้วยความสงบและก็สำรวมซึ่งตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและก็ยึดถือการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นกิจสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดทำให้ชาวบ้านที่รู้เห็นเกิดความเลื่อมสศรัทธาเพิ่มเป็นทวีคูณ เมื่อหลวงปู่ฟัน่นท่านเห็นว่าจิตใจของชาวบ้านโดยรวมมีความอ่อนโยนลงแล้วก็น้อมศรัทธามาทางคณะสงฆ์มากขึ้นท่านก็เลยได้ใช้โอกาสนี้แหละเพื่อแสดงธรรมแล้วก็เป็นการนำทางให้ญาติโยมชาวบ้านที่เคยหลงผิดรู้เห็นเป็นจริงด้วยการสอนให้ละเลิกมิจฉาทิฐิ ความหลงความงมงายการไปเคารพพูดผีปีศาจซึ่งไม่มีแก่นสารใดๆในชีวิตเลยแล้วก็ให้หันมายึดมั่นในพระรัตนตรัยแทนพระรัตนตรัยก็ประกอบไปด้วยพระพุทธนะคะพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ค่ะซึ่งพระพุทธก็หมายถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมก็คือคําสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะแล้วก็พระสงฆ์ก็คือสาวกค่ะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3มอย่างนี้เรียกว่าพระรัตนตรัยค่ะ หลวงปู่ฟั่นก็ได้ซึมซับธรรมะต่างๆแล้วก็คำสอนต่างๆให้เข้าสู่จิตใจของชาวบ้านจนเกิดปัญญาสู่ดวงตาเห็นธรรมอันประเสริฐก็เลยพากันยุติความหวาดกลัวในอำนาจของพูดผีวิญญาณยินดีเคารพเลื่อมใสพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่กล่าวมาเป็นที่พึ่งแล้วก็ยอมรับไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะนะคะ ความเปลี่ยนแปลงผันแปรของชาวบ้านมันก็เกิดความไม่พอใจขึ้นกับหมอผีพวกที่อวดอ้างเรืองด้วยเวทมนต์คาถายิ่งนักที่บรรดาพระสงฆ์มาทำลายความศรัท ธ, ธาของชาวบ้านที่มีต่อพวกเขาจนแทบจะหมดสิน้น ชาวบ้านก็พากันกระด้างกระเดืองไม่เชื่อฟังเหมือนเก่าก่อนเพราะว่าหลงผิดคิดนะฮะว่าพระสงฆ์แล้วก็สั ม, มเณรเนี่ยเข้ามาขัดขวางผลประโยชน์แล้วก็มาทำลายชื่อเสียงของตนบุคคลที่มัวเมาหลงตนมืดมัวอยู่ในอำนาจของโลภะโทสะโมหะพวกเขาเหล่านี้ก็ได้กระทำการทุกวิถีทางเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะขับไล่หลวงปู่ฟั่นออกไปจากหมู่บ้านเพื่อตนเองจะได้ครอบงาต่อไป เริ่มแรกนะฮะพวกหมอผีเนี่ยมันก็ใช้วิธีการกูเทวใส่ร้ายป้ายสีว่าพระภิกษุสา ม, มเณรกลุ่มนี้มีพฤติการเลวทรามต่ำช้าประพฤติปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมในความเป็นสมณเพศจึงไม่สมควรใส่บาตรข้าวปลาอาหารแล้วก็ให้ที่พำนักต่อไปแต่ว่าการเป่าประกาศชวนเชื่อด้วยวิธีนี้ มันไร้ผลโดยสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าการประพฤติตัวของคณะสงฆ์และก็สัมเณรของหลวงปู่ฟ้นเนี่ยสวนทางกับการใส่ความเป่าประกาศชวนเชื่อของเหล่ามอผีทั้งสิ้น เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของชาวบ้านให้มาศรัทธาเชื่อถือตนเองไม่ได้ยิ่งสร้างความขุ่นเคืองเคียดแค้นเป็นเท่าทวีคูณถึงกับวางแผนฆ่าพระสงฆ์ด้วยจิตใจอันต่ำช้าเร็วสามเพราะว่าเกิดกิเลสเข้าครอบงาจิตใจจนไม่สามารถระงับอารมณ์แล้วก็ความแค้นลงได้นะคะโดยต่อมาในเช้าวันหนึ่งค่ะหลวงปู่ฟั่นแล้วก็พระภิกษุสา ม, มเณร เ, เนี่ยก็ได้ออกไปบิณฑบาตตามปกติ แต่เกิดความผิดปกติไปจากวันอื่นก็คือมีคนเพิ่มจำนวนมากขึ้นส่วนมากจะเป็นคนแปลกหน้าเป็นชายชะกันเอาข้าวปลาอาหารใส่บาทแต่ว่าห่อด้วยใบตองจำนวนหนึ่ง พอกลับไปถึงที่พมนักค่ะหลวงปู่ฟ้นจึงสั่งพระสงฆ์และก็สั ม, มเนรให้เอาห่อข้าวทั้งหมดมารวมกันอย่าเพิ่งแกะออกหลังจากนั้นหลวงปู่ฟันผู้รู้อขอพายผู้เป็นหัวหน้าคณะสงฆ์ก็ได้กล่าวนะฮะว่าจะบอกให้ทุกท่านได้รู้ว่าข้าวปลาอาหารที่คนนำมาใส่บาตรเช้านี้ส่วนหนึ่งเป็นอาหารของผู้ประสงค์ร้ายทาลายชีวิตพระสงฆ์และก็สั ม, มเนรในคณะของเราทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งนั้น เป็นเจตนาบริสุทธิ์ทาบุญใส่บาตรด้วยจิตใจที่เลื่อมใสทำด้วยจิตศรัทธาข้าวห่อทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นขณะนี้เป็นอาหารผสมยาพิษหากฉันเข้าไปพวกเราจะตายทั้งหมดเมื่อบอกกล่าวนะคะให้พระสงฆ์แล้วก็สัมมเนในคณะเนี่ยได้ทราบแล้วท่านหลวงปู่ฟ้านเองก็ได้สั่งให้เอาอาหารในห่อทั้งหมดไปฝังกลบ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยขึ้นมากินได้เพราะว่าถ้ากินมันก็จะตายเช่นกันอย่าได้ให้มันตกอย่าได้ให้มันหกลงไปบนพื้นดินเป็นอันขาดที่หลวงปู่ฟ้านท่านรู้ว่าในอาหารนั้นมียาพิษปลอมปนมาด้วยก็เพราะว่าท่านสามารถอย่างรู้ด้วยยานวิเศษนั่นเองค่ะทีนี้เมื่อแผนอันสกรปรกเลวซามต่าช้ามันล้มเหลวไม่สามารถที่จะจัดการกับคณะสงฆ์สามเณรที่มาเป็นก้างขวางคอชิ้นใหญ่ลงได้ วันเวลาได้ผ่านไป5วันกัมชั่วก็ได้กลับมาสนองพวกมันอย่างทันตาเห็นค่ะนั่นคือตัวของหมอผีที่บงการใส่ยาพิษลงไปในอาหารเพื่อให้พระสงค์แล้วก็สัมมาเนมฉัน mm. ก็เกิดมีอาการปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะดิ้นทุรนทุรายไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตเข้าไว้ได้ในที่สุดก็สิ้นใจตายอย่างน่าเวทนา การตายของหมอผีผู้ก่อกรรมทำชั่วแทนที่จะทำให้พวกพ้องบริวารมันเกรงกลัวต่อบาปเวรพวกมันกลับหลงผิดค่ะคิดว่าหลวงปู่ฟั่นนี่แหละเป็นผู้ทำร้ายหมอผีให้ถึงแก่ความตายด้วยวิชาอาคมก็พากันโกรธแค้นด้วยโทสะครอบงำจนไร้สติก็เลยพากันจับกลุ่มดา่าประนามหลวงปู่ฟั่นอย่างหยาบคายชนิดไม่ยั้งเลยนะคะจนมีโยมชาวบ้านผู้หนึ่ง ที่ให้ความศรัทธาเลื่อมใสต่อคณะสงฆ์และก็สมมามเณรไม่อาจจะทนฟังต่อไปได้ก็เลยนําความมาบอกหลวงปู่ฟั่นอย่างละเอียดก่อนจะลงท้ายด้วยนะฮะว่าหลวงปู่ครับพวกมันด่าหลวงปู่ว่าไอหมาฟัน่นหลวงปู่ฟัน่นท่านก็นิ่งฟังด้วยอาการสงบแล้วก็หันไปถามโยมบ้านคนนี้เนี่ยด้วยอารมณ์ดีบอกและมีหางหรือเปล่าละ่ะโยมชาวบ้านรีบตอบขึ้นมาอย่างทันทีทันใดแทบไม่ต้องคิดไม่มีครับหลวงปู่เออเมื่อเราไม่มีหางเขาก็ไม่ได้ด่าเราน่ยสิ แล้วเราจะไปโกรธเขาทําไมล่ะหลวงปู่ฟั่นเองท่านก็พูดไปแล้วก็ยิ้มไปอย่างอารมณ์ดีค่ะหลังจากนั้นหลวงปู่ฟั่นก็ได้สอนโยมคนนั้นด้วยหลักธรรมที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายคือสอนให้ดูจากการระงับอารมณ์โกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบเพราะว่าความโกรธที่มีเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยมันมีแต่จะทําให้ตัวเองมีจิตเร้าร้อนแล้วก็มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่าเป็นอกุศลกรรมนะคะทําให้ตัวเองตกต่ําโดยใช่เหตุค่ะ กรรมที่หมายปองด้วยชีวิตจิตเจตนาประทุษร้ายด้วยกายวาจาใจต่อพระภิกษุผู้ทรงศีลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แสดงผลอีกครั้งกล่าวก็คือในอีกไม่กี่วันต่อมาค่ะกลุ่มบริวารหมอผีที่รุมด่าประนามหลวงปู่ฟันแล้วก็คณะนี้ก็ได้ร่วมกันออกไปหาปลาที่แก่งใหญ่ละวะเกิดเรือล่มลงกลางกระแสน้ำที่กาลังไหลเชี่ยวทาให้กลุ่มคนดังกล่าวเสียชีวิตทั้งหมดอย่างน่าสังเวชใจ คุณผู้ฟังคะนี่เป็นกรรมของคนที่คิดชั่วและก็เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งอันที่จริงเรื่องราวปาฏิหาริย์และก็ประสบการณ์อย่างน่าระทึกขวัญสันประสาทของหลวงปู่ฟั่นนั้นเนี่ยมีหลายเรื่องหลายรสชาติค่ะ แต่สำหรับตอนนี้บีก็ขอนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังเพียงแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนนะคะหากมีโอกาสจะนำเรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์อันตื่นเต้นระทึกขวัญของหลวงปู่ฟ้านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังในอนาคตค่ะมาปิดท้ายกันด้วยเรื่องราวของประวัติผานางคอยทําแห่งตำนานรักกันบ้างค่ะ ผานางคอยเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาหินปูนที่ตั้งตรงานกลางป่าปกคลุ่มไปด้วยแมกไม้น้อยใหญ่นะคะเมื่ออดีตเนี่ยผืนป่าที่ยังคงอุดมสมบูรณ์และแวกนี้เต็มไปด้วยสัตว์มากมายหลายชนิดโดยเฉพาะกวางป่าค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่ออำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะคะ แต่เมื่อพื้นที่ถูกปกแปรเป็นพื้นที่การเกษตรสัตว์ก็ค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงแค่ภูเขาหินปูนถ้ำและก็หินงอกหินย้อยสวยวิจิตรอลังการซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปฏิมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างไว้ค่ะตามประวัติ จากนิทานพื้นบ้านนะคะบอกว่าจากหยดหินก่อให้เกิดรูปทรงผู้หญิงกำลังอบอุ้มลูกน้อยรอคอยการกลับมาของชายอันเป็นที่รักของเธอโดดเด่นอยู่ที่ลานกลางถ้ำเป็นที่มาของชื่อว่าถ้ำผานางคอยค่ะตานานรักที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าแม่อรัญญาณีหญิงสาวสูงสักกับชายอันเป็นที่รัก เมื่อ800ปีที่แล้วสมัยอาณาจักรแสนวีองค์หญิงอารัญญาวีผู้สูงสัก์ครอออนรักกันกันกบคนองเดชนะคะเป็นหัวหน้าฝีพายจนอารัญญานีเนี่ยเกิดตั้งคันทีนี้ก็หนีมาด้วยกั น, นะคะ่ะจนถึงกลางป่าก็ถูกทหารตามล่ามาอย่างกระชั้นชิดทหารยิงคนองเดชแต่ว่าพลาดถูกกลางอุระของนางอารัญญานีทั้งสองก็หลบเข้ามาอยู่ในถ้ำ นางอรัญญาณีได้ให้ชายที่รักเ น, นี่หนีไปแล้วก็พูดว่าหญิงจะรออยู่ที่นี่ช่วกาลปาวสารแรงอธิษฐานดังกล่าวนี้ค่ะทำให้นางกลายเป็นหินมือโอบพระโอรสไว้บนตักเป็นที่มาของชื่อว่าถ้ำผานางคอยนะคะความสูงจากด้านล่างจนถึงปากถ้ำาสิเมตรถือว่าไม่ไกลมากนักภายในถ้ำซึ่งาจากระยะปากถ้าไปจนถึงทางออกอีกด้านหนึ่งยาวร้อเมตรค่ะทางเดินทางกว้าง ทั้งแคบก็สลับกันไปเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยระยิบระยับแบ่งออกเป็น13จุดค่ะตั้งชื่อเรียบร้อยกันอย่างไพเราะก็คือคูหาสวรรค์วิเศษเทพอารักษ์นครานาคาสถิตงามพิษอนงสนานหิมพานพิจิตเนรมิตรม่านแก้วมรกรเพลิดพลวิจิตราบูชาพระมุนีนทีชนละเนรทานเทพอธิษฐานคชสารพิทักษ์ลานรักพระนางและหินนางคอยนะคะ เมื่อเดินพ้นโคง้งลานรักพระนางมองไปทางขวาเล็กน้อยสิ่งที่จะปรากฏแก่สายตาตั้งประงานโดดเด่นนั่นก็คือหินนางคอยค่ะหัวใจสำคัญของถ้ำหินปูนที่หยดย้อยทำให้เกิดรูปทรงเหมือนหญิงสาวกำลังก้มหน้าโอบลูกน้อยนั่งอยู่บนแท่นหินซึ่งผู้มาเยือนทุกคนค่ะต้องยืนอยู่ห่างจากหินนางคอยประมาณ10เมตรจะเป็นจุดที่เห็นได้ชัดว่าเมีรูปร่างเหมือนผู้หญิงอุ้มลูกค่ะ สำหรับถ้ำผานางคอยแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านผาหมูอําเภอร้องกวางห่างจากตัวอําเภอเมืองแพร่34กิโลเมตรตามเส้นทางสายแพร่ร้องกวางทางหลวงหมายเลข101ถึงกิโลเมตรที่5 8าสถึงห้จะถึงถนนทางเข้าถ้ำผานางคอยด้านซ้ายมือเข้าไปเพียง800เมตรก็ถึงตัวถ้ำผู้ที่อยากจะมาชมก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ทุกวันนะคะซึ่งการเข้าชมเนี่ยก็จะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะ ทีนี้พูดถึงถ้าผานางคอยที่จังหวัดแพร่ทางภาคเหนือกันไปแล้วมาฟังประวัติถ้าผานางคอยอีกที่หนึ่งกันบ้างถ้าผานางคอยตำนานรักอมาตะเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวและก็ตำนานอีกเยอะแยะมากมายเลย แต่ว่าวันนี้บีขอเอาเรื่องของถ้ำผานางคอยมาเล่าให้ฟังกันอีกเรื่องหนึ่งนะคะจากตำนานเรื่องเล่าสู่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลเรียกว่าเป็นตำนานรักอมตะผานางคอยเนี่ยมีตำนานเล่าไว้นะ่ะว่า นางพยาอินถาลูกสาวตระกูลผู้สูงสักแห่งเมืองจำปาสักประเทศลาวนางได้มานั่งอยู่ที่ผาแห่งนี้ทุกวันค่ะเพื่อคอยการกลับมาของสามีที่ออกไปรบแต่แล้วนะคะในที่สุดนางก็ได้ข่าวการเสียชีวิตของสามีในสนามรบ ด้วยความรักสามีที่มีอย่างเปี่ยมล้นนางโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่งบนผาแห่งนี้จึงเป็นที่มาของตำนานรักอมตะนั่นเองนะคะผานางคอยตั้งอยู่ที่บ้านดงนาหมู่ห้าตำบลหนามแท่งอาเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะนอกจากที่จังหวัดแพร่แล้วค่ะคุณผู้ฟัง ผานางคอยนี่ก็มีที่จังหวัดอุบลราชธานีอย่างที่เล่าประวัติสั้นๆให้ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็ยังมีที่จังหวัดสุรินด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่จังหวัดกาลสิน์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่บีมองว่ามันก็จะมีตำนานมีเรื่องเล่าของแต่ละพื้นที่นะคะซึ่งชื่ออาจจะซ้ํากันบางคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะผาเดียวกันหรือเปล่านะคะต้องดูที่ตัวจังหวัดด้วยว่าอยู่ที่จังหวัดอะไรนั่นเองนะคะสำหรับตอนนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวนะ ว่าได้ความรู้ได้คติธรรมที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังไปนะคะแล้วก็หมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณทุกๆ ก, กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีของเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ